ภิกษุแกก็หยิบผ้าชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วก็บอกภิกษุนมว่าท่านครับโปรดใช้ผ้าผืนนี้ของผมเป็นผ้ากรองน้ํา <c oughs> บางทีพระบางทีก็เห็นพระ ด, ด้วยกันก็เอาถวายผ้ากรองน้ําไปนะแหมดูแล้วเหมือนท่านไม่มีผ้ากรองน้ําใช้ผมถวายแล้วกันภนะิกษุนมก็เรียนว่าท่านพระมหาเทระได้ผ้ากรองน้ํานี้มาจากไหนครับประั้นภิกษุรูปนั้นก็เล่าเรื่องนั้นให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยนะนะ พิสูจนั่งฟังจบแล้วว่าโอ้ยเราเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมกับหญิงคนนี้นะหัวใจวายตายอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ย น, นตายกัน ง, ไ ง, ไงน่ายๆเหมือนกันนะบอกโอ้เนี่ยนะแม้คนที่เขาพักดีกับเราขนาดนี้เรายังทิ้งก็ได้ลงคอเลยตายเลยคิดได้แค่เนี้เลยตายเลยเขวา่ากันเพราะอะไรเพราะว่าการเห็นกันครั้งเดียวใช่ไหมนางนางคนนั้นก็พอเห็นแล้วก็อดข้าวตายเลยก็เป็นนะคือคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นเยอะนะสมัยปัจจุบันเราก็ไม่ทราบนะ ค, คือสมัยปัจจุบันเราก็อยู่ในวัดในวาไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่พูดถึงว่าในอดีตเนี่ยในในพระไตรปิฎกมีเรื่องประเภทอย่างนี้เยอะมากเลยบางทีก็เป็นลูกสาวเศรษฐีอยู่ดีๆอย่างเนี้แล้วก็เห็นอะไรนะเห็นพ่ อ, อเห็นนายพรานเนื้อขับเกวียนมาแล้วก็ตามเข้าไปดุมๆหายไปจากบ้านไปใช้เฉยอย่างนั้นแหละอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็อย่างอะไรพระโสดาบันคนหนึ่งเป็นพระโสดาบานนันตั้งอายุ7ขวบพอเป็นสาวแล้วก็หนีไปอยู่กับนายพรานที่ป่าดงที่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมบางคนเนี่ยไหน บางคนก็เจออะไรนะโจรที่เขาลากไปทหารเนี่ยเอาก็ให้พ่อไปถ่ายโจรมาแล้วก็ลักษณะนเนี่ยนะมีนะมีมีเกือบทุกยุคยุคสมัยเนี่ยนะในลักษณะนี้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นข่าวเรียกว่าเอามาเขียนลงในหนังสือให้คนอ่านหรือเปล่าแค่นั้นแหละอันนี้เรียกว่าราคะเพราะเกิดจากการการรการเห็นเนี่ยนะ คือการคําว่าคลุกคลีเนี่ยคือการคลุกคลีด้วยราคาเนี่ยนะเน้นการคลุกคลีด้วยตันหาเป็นหลักการเจอกันแล้วก็เจริญตันหานี่ยแหละจึงเรียกว่าเป็นการคลุกคลีส่วนราคะตันหาที่เกิดโดยการสนทนาปราศัยแก่กันและกันชื่อว่าสมุลาปะสมุลปสังสักะคลุกคลีด้วยการพูดคุยกันก็สร้างราคาเจริญขึ้น ส่วนราคาที่เกิดโดยภิกษุรับของของภิกษุณีภิกษุณีก็รับเอาสิ่งของของภิกษุและบริโภคอันนี้ชื่อว่าสัมโผคะสังสักคะแลกข้าวของเครื่องใช้กันเนี่ยนะเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าว่าเล่าว่าเมื่อครั้งฉลองมริจิวัติยะวิหารมีภิกษุประมาณแสนรูปภิกษุณี9 0้าหมื่นรูปโูเยอะมากเลยนะแสดงว่าแทบจะรวมกันทั้งเกาะลังกามารรวมที่เดียวกันหมดเลย สมณเณรรูปหนึ่งรับข้าวข้าวยาคูก็รับเข้าต้มเอาไว้ไปพักไว้ที่ชายชีวรครั้งหนึ่งแล้วก็พักหนึ่งก็มันร้อนจัดก็ไปวางไว้ที่พื้นดินเนี่ยนะไปเห็นสมณเณรตัวเล็กๆไหมนะเขไปที่ที่นึกถึงไปที่วัดศรีลังกาในชะ่ไหมที่ศรีลังกาที่พารณสีนะก็มีสมณเณรเล็กๆนี่ยนะสมณเณรรูปหนึ่งก็เอาข้าวต้มอ่อันนี้หมายว่าอาดีตนะนะอดีตสมัยน้องเอาข้าวต้มมาใส่บาตรมาสมัยใหม่ก็เป็นพวกเมนบวชฤดูร้อนอนะ่ะคลาคลาแ บ, บนั้นอนะ่ะ ทีนี้พอร้อนเข้าก็อุ้มแล้วก็วางวางแล้วก็อุ้มอุ้มวางอยู่นั้นเพราะมันร้อนสมมเนรีรูปหนึ่งอายุเจ็ดขวบเหมือนกันก็ถวายสลกบาตกล่าวว่าวางบาตนี้เอาไว้ในนี้แล้วค่อยไปต่อมาภายหลังเมื่อเกิดภัยขึ้นทั้งสองก็ไปยังประสมุทวิหารเขาเรียกว่าข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่งเลยทั้งสองรูปภิกษุณีไปก่อนภิกษุณีนั้นได้ยินว่าภิกษุชาวสิงหนคือชาวลังการูปหนึ่งมา ก็ไปยังสำนักของพระเถ ร, ระรมปฏิสัมถานแล้วก็ถามว่าท่านเจ้าข้าเมื่อครั้งฉลองมริจิวัติยวิหารเนี่ยท่านพรรษาเท่าไหร่พระเถระก็ตอบว่าครั้งนั้นฉันเป็นสั ม, มเ น, นอายุ7ขวบแล้วท่านลักพรรษาเท่าไหร่ก็ตอบว่าดิฉันก็เป็นสั ม, มเนธอายุ7จ็ขวบเหมือนกันและฉันก็ได้ถวายสลกบาทแก่สั ม, มเนธรูปหนึ่งซึ่งรับข้าวยาผูร้อนอ น, นะไปเพื่อพักบาดพระเถระก็บอกว่าสมมเนธองค์นั้นก็คืออัตมาเนี่แหละก็เลยเอาสลกบาทออกมาแสดง เขบอกว่าด้วยการเปลี่ยนของใช้กันแค่ครั้งเดียววันนั้นแหะทั้งสองก็ไม่อาจสืบต่อพรหมจรรย์ต่อไปได้ก็เลยศึกทั้งคู่เมื่ออายุ60เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคลุกคลีโดยการอะไรแลกข้าวของเครื่องใช้กันเนี่ยนะก็บาดอะไรนะขาบาทอันเดียวเนี่ยนะหรือสลกบาทอันเดียวเนี่ยนะ ส่วนราคะที่เกิดขึ้นโดยการจับมือเป็นต้นชื่อว่ากายสังสักคะคือเรียกว่าจับเนื้อต้องตัวกันน่ยนะอันนี้เรื่องมีตัวอย่างว่าที่มหาเจติยังคณะวิหารมหาเจติยังคณะเนี่ยนะที่ไหนที่อนุราทัุระนั่นแหละพิกษุนุ่งกาลังสาธยายภิกษุณีสาวก็ฟังทำอยู่ข้างหลังของพิกษุนมุ่งทั้งหลายเหล่านั้นพิกษุนุ่งเหล่านั้นพิษุนุ่งรูปหนึ่งเหยียดแขนออกไปถูกกายพิกษุณีสาวรูปหนึ่งเข้าพิกสุณีสาวก็จับมือมาท้าไว้ที่อก ของตนก็เลยเรียบร้อยเนี่ยนะก็กลับไปครองสร้างวัตตะกันต่อตอนแรกก็จะแมจะทำลายวัตตะแล้วนะทำไมก็สร้างวัตตะกันต่อแล้วกันสัรสักข้าห้าอย่างเหล่านี้เรียกว่าคลุกคลีด้วยการเห็นเนี่ยนะตันหาที่มาจากทว่คลุกคลีด้วยการฟังตันหามาจากทวานหูคลุกคลีด้วยการเห็นตันหามาจากทวานตาพูดคุยกันอนาการ การอะไรบริโภคเข้าของด้วยกันเขาบอกว่าถ้าพระพิสูจ์กับพิสูุเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพระพิสูจน์พระพิสูจนนี่เกี่ยวข้องกับพระพิสูจน์ทั้งหลายโดยปกติเช่นเห็นกันฟังกันพูดคุยกันจับต้องตัวกันเนี่ยนะเช่นช่วยจับช่วยหยิบช่วยอะไรกันนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาอนเว้นการสัมผัสด้วยกายเนี่ยนะพิสูจนีทั้งหลายก็เป็นครั้งคราวเช่นเห็นกันบ้างฟังกันบ้างคุยกันบ้างเป็นครั้งคราว ส่วนกับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมีได้เป็นครั้งคราวเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงรักษาจิตจากการเกิดกิเลสในการสังสัก ข, ขาการคลุกเคลียนั้นก็รักษาจิตให้ดีรักษาด้วยอะไรรักษาด้วยสติสัมปชัญญะรักษาด้วยอะไรสัมปชัญญะก่อนหนึ่งศา ธ, ธกะสัมปชัญญะ 2. โคจรสัมปชัญญะ 3. สัปปายสัมปชัญญะแล้วก็สุดท้ายอะสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะ ก็ต้องรักษาจิตด้วยสัมปชัญญะทั้ง4ี่ก็จะพ้นจากกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะถ้าพระภิกษุกับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ก็แบ่งเป็นว่าภิกษุรูปหนึ่งเป็นคาหะคาหกะรูปหนึ่งเป็นคาหะมุตตะอีกรูปหนึ่งเป็นมุตตะคาหกะอีกรูปหนึ่งเป็นมุตตะมุตตะก็แบ่งกันอย่างนี้นะแบ่งว่าเมื่อพระเกี่ยวข้องกับโยมมันแบ่งอย่างนี้ว่า พวกมนุษย์เข้าไปหาภิกษุด้วยการเอาเหยื่อหมายความว่าอมิตรตัวนั้นหมายความว่าด้วยการถวายปัจจัย4เอายเนี่ยภิกษุก็เข้าไปหามนุษย์ด้วยการเอาดอกไม้ผลไม้เป็นต้นเนี่ยเป็นเป็นเหยื่อล่ออันนี้เรียกว่าคาหะคาหะต่างคนต่างจักคือหมายความว่าโยมเองก็เตรียมของฝากของกำนันไปฝากพระประจำไอควาว่าอันนี้หมายถึงทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าเอาวัดนี้เนี่ยมหาพระยากเหลือเกิน าบาศกบาสิกาก็เห็นพระรูปหนึ่งเข้ามาก็เตรียมอะไรเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมปัจจัยไปถวายท่านคอยดูแลบํารุงรักษาท่านฝ่ายพระก็อุโภคโยมก็ดีกับเรานะก็เลยเอาแบบข้าวของอะไรในวัดก็เอาไปฝากโยมบ้างฝากกันไปฝากกันมาอย่างนี้เขาเรียกว่าต่างคนก็ต่างมัดซึ่งกันและกันเขาเรียกว่ามีข้อผูกมัดต่อกันและกันนะนะอันนี้อันหนึ่งแหะอันที่สอง มนุษย์เข้าไปหาพิสูจโดยนัยยะที่กล่าวแล้วคือคิดว่าพระพิสูุนั้นน่ะเป็นทักษินายะบุคคลเนี่ยนะเป็นคู่ผู้ควรแก่ทักษีนาธานเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญอันนี้เรียกว่าพ้นจากผู้จับเพราะอะไรเพราะคารวะจริงๆแล้วเขาไปเกี่ยวข้องกับพระพิสูจนทั้งหลายโดยประสงบุญเนี่ยนะประสงบุญมาเห็นว่าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบก็คู่ควรที่จะเป็นนาบุญอันนี้เรียกว่าคาหามุตตะ พ้นจากผู้จับก็คือไม่มีใครจับนั่นเองประเภทที่สามมนุษย์ทั้งหลายถวายปั จ, จัยสีโดยเป็นทักขินายะบุคคลแต่ฝ่ายพระพิสุเข้าไปหาโดยเอาดอกไม้ผลไม้เป็นต้นนั้นวางเป็นเหยื่อล่อจั บ, จ, บจับอะไรจับจับคารวาสเนี่ยนะหมายก็ว่าชาวบ้านเขาก็เลื่อมใสว่าฐานะว่าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามทำตา ม, ตามวินยัยแต่พระนั้นต้องการที่จะอะไร เกี่ยวข้องกันเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าจับผู้ปล่อ ย, ยนะต้องการจะจับผู้ปล่อยประเภทที่4ี่มนุษย์ทั้งหลายทําบุญกับพระก็สําคัญท่านว่าเป็นทักินายะบุคคลภิกษุก็บริโภคโดยเป็นทักินายะบุคคลคือต่างคนก็ต่างประสงค์บุญด้วยกันเนี่ยนะคารวะก็ประสงค์บุญฝ่ายพระเองก็ประสงค์บุญอันนี้เหมือนใครเหมือนพระจุลปินดปาติยะติสะ เราอันนี้ชื่อว่ามุตตะมุตกะต่างคนต่างปล่อย เ, อเรื่องมีอยู่ว่าอุบาสิกาคนหนึ่งอุปถั พ, พระเทระรูปนี้มา12บปีเนี่ยนะคือพระอุปถัภะอะไรพระจุลปินดะปาติยะติสะเทระเนี่ยนะวันหนึ่งไฟไหม้เรือนที่หมู่บ้านนั้นพิสู่ประจาตระกูลคนอื่นๆก็ถามว่าอุบาสิกาไฟสามารถทำสิ่งอะไรอะไรให้ไม่เสียหายบ้างหรือคนทั้งหลายก็กล่าวว่า พระเถระประจําตระกูลมารดาของเราจักมาในเวลาฉันเท่านั้นวันรุ่งขึ้นแม้พระเถระกําหนดเวลาและพิขาจารแล้ก็มาอุบาสิกานิมนต์ให้ท่านนั่งที่ร่มยุง้งเนี่ยนะก็คือฉางข้าวนะจัดพิกษาถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ไปคนทั้งหลายพูดว่าพระเถระประจําตระกูลของมารดาของเรามาในเวลาฉันเท่านั้นบาสิกาก็บอกว่าพระประจําตระกูลของพวกท่านก็เหมาะกับพวกท่านเท่านั้น ท่าทีละของเราก็เหมาะกับเราเท่านั้นคือบางคนเนี่ยคลุกคลีกันเกี่ยวข้องกันมันก็เป็นไปตามตามอะไรตามธาตุใช่ไหมตามธาตุเนี่ยนะแปลว่าเป็นไปตามธาตุหมายความว่าบางคนที่ผูกพันกันก็ผูกพันกันจริงๆเลยแหละจากกันไม่ได้เลย้คนที่ไม่ผูกพันก็ไม่ผูกพันเกี่ยวข้องกันแบบไม่ผูกพันเนี่ยอย่างพระพิสุรูปนี้ไปนั่งฉันบ้านโยมเนี่ยสิปีเอาไฟไม่บ้านโยมเลยเราก็ถามเออไฟไม่ก็รู้ว่ามันไม่พระธรรมอร่อยพจะไปช่วย ก็สร้างบ้านให้ที่ไหนล่ะท่านก็เออไม่ก็ไม่ทั้นก็ฉันเสร็จท่านก็ไปแล้วไปทํากิจของท่านต่อไปเนี่ยนะแล้วโยมเองก็ชอบแบบนั้นด้วยนะคือพระจะมาจุ้นจ้านเรื่องอะไรของเขาเกินไปเหมือนกันเขาเขาไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยนะท่านพระก็ควรทํากิจของพระโยมก็จะขอทํากิจของโยมเนี่ยนะโยมก็มองเห็นว่าพระเป็นนาบุญพระก็มองว่าเออโยมเขาแสวงบุญก็คิดกันอย่างนี้ต่างคนก็ต่างเจริญในพระศาสนาต่างคนก็ต่างได้ประสบความสําเร็จนะบางท่านก็คิดกันอย่างนี้ พระปุณณมันตานีบุตรนั้นไม่คลุกคลีด้วยบริษัททั้งสี่ด้วยสังหะสี่เพราะฉะนั้นท่านเป็นทั้งคาหะมุตตะทั้งมุตตะมุตตะคือไม่คลุกคลีเองแล้วก็ยังสอนให้ผู้อื่นอยู่ด้วยความไม่คลุกคลีด้วยเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะของพระปุณณมันตานีบุตรทีนี้มาขึ้นอะไรนะวอิอารัธาวิริโยเนี่ยนะคถาวัตถุว่าด้วยข้อ ปราลบความเพียรหรือว่าประคองความเพียรพูดไปแล้วกี่ข้อสข้อแล้วนะหนึ่งหนมักน้อยสองสันโดษสวิเวกสไม่คลุกคลีห้าปราลบความเพียรนี่ะข้อหาปราลบความเพียรปรารบความเพียรก็คือประคองความเพียรไว้ให้ความเพียรเป็นตัอย่างต่อเนื่องอธิบายว่าความเพียรทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะเพียรอย่างบริบูรณ์เรียกว่าปรารบความเพียร จิงอยู่พิกษุใดกิเลสเกิดขึ้นในขณะเดินก็ไม่ยอมยืนเดินอย่างเดียวจนกว่าจะดับกิเลสได้เอางั้นในคําว่าดับนี้ดับด้วยแต่ทางฆ่าประหารดับด้วยสมถะและ ว, วิปัสสนานั่นเองกิเลสเกิดขึ้นในขณะยืนก็ไม่ยอมนั่งกิเลสเกิดขึ้นในขณะนั่งก็ไม่ยอมนอนย่อมเที่ยวไปเหมือนร่ายมนบังคับงูเหา่าแล้วก็จับเอาไว้อันนี้ก็เหมือนร่ายพุทโธเพื่อกําจัดบาปอากุศลธรรมที่อยู่ใน ภายในเนี่ยนะเจริญสมถวิปัสสนาให้เป็นไปเพื่อสงบระงับดับบาปและอคุโสลธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่าผู้ปรารบความเพียรคือน้อมไปเพื่อกำจัดบาปอคุโสลธรรมที่เกิดขึ้นในใจทั้งเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งและเวลานอนเนี่ยนะไม่ปล่อยให้อคุโสลธรรมเนี่ยเป็นไปทางใจในอิริยาบถ ท, ทั้ง4ประการเรียกว่าผู้ปรารบความเพียร พระเถระก็เช่นนั้นเหมือนกัรเนี่ยนะก็คือคือพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่ปรารุกความเพียรทั้งทางกายและทางใจทวนว่าปรารุกความเพียรทางกายคืออะไรหมายความว่าถ้าเดินอยู่ถ้ากิเลสยังไม่สงบระ ง, งับดับลงไปก็จะไม่ยืนถ้ายืนอยู่ถ้ากิเลสยังไม่สงบระ ง, งับดับไปก็จะไม่นั่งถ้านั่งอยู่ถ้ากิเลสไม่สงบก็จะไม่นอนแล้วถ้านอนอยู่เราจะต้องรีบลุกนะามาทำให้ลลกนะี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะ เพรนอนรนอนขม่มกิเลสนี่มันไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกอผู้ที่ปรารบความเพียร น, นี้เรียกว่าเพียรทางกายส่วนเพียรทางใจก็คือพยายามให้กุศลธรรมเป็นปรย่างต่อเนื่องเนี่ยนะกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เติบโตภัยบุญลักษณะของสัมมาปทานนั่นเองปรารบความเพียร น, นั้นก็คืออะไรก็คือทําฉันท่าให้เกิดพยายามเนี่ยนะประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อละ อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ยอมให้เกิดขึ้นระวังไม่ให้อกุศลธรรมนั้นที่เคยเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นใหม่ๆ ห, หรือเกิดขึ้นอีกต่อไปอเจริญธรรมฉันทะพยายามปรารบความเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นส่วนกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นเรียกว่าปรารบความเพียรเนี่ยนะซึ่งคนนั้นจะต้องรู้วิธีเจริญกุศลเนี่ยนะ ต้องรู้ว่ากุศลนั้นคืออะไรวิธีการเจริญกุศลนั้นคืออะไรอักกุศลคืออะไรวิธีการขจัดกำจัดอกุศลออกไปนั้นคืออะไรก็เท่ากับรู้วิธีละอักุศลแล้วก็รู้วิธีการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าปรารบความเพียรพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้ที่ความเพียรในการขจัดอกุศล น, นะถ้าพูดแบบสัจจะ ก, ก็คือเพียรขจัดสมุทยสัจจะกับเพียรเจริญ มัคคสจัจจะนั่นเองเนี่ยนะเพียรละอกุศลแล้วก็เพียรเจริญกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็แนะนําให้ผู้อื่นว่ า, าการตาราบความเพียรเพื่อขจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมีอุปการะคุณอย่างไรเนี่ยนะการเจริญกุศลธรรมเนี่ยให้เจริญขึ้นเติบโตขึ้นนั้นมีคุณมีประโยชน์อย่างไรเพราะอะไรเพราะอากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สร้างแต่ความ เสียหายกุศลธรรมที่ อ, อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะถ้าปล่อยให้มันเจริญเติบโตยิ่งขึ้นก็สร้างแต่ความเสียหายกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดถ้าไม่ยอมเกิดเลยก็เสียหายกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วถ้ารักษามไม่ได้ก็มีแต่ความเสียหายเพราะฉะนั้นผู้ที่ปราบรความเพียรนั้นจึงเห็นคุณของการเจริญกุศลเห็นโทษของการละอะกุศลธรรมทั้งหลายก็พยายามประคับประคองให้กุศลธรรมเป็นไปได้อย่าง ต่อเนื่องทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนแต่คนนั้นจะต้องเข้าใจว่าเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเนี่ยนะเจริญอริยมรรคเป็นอย่างไรเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธินั้นเจริญอย่างไรเมื่อเข้าใจเรื่องการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะจะอิริยาบทไหนไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ จเจริญกุศลธรรมได้ในทุกอิริยาบถเนี่ยนะทีนี้ต่อไปสีจตุ ป, ปาริสุทธิ์สีชื่อว่าสีละสมปนโนคือพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยชื่อว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ด้วยปาติโมคสังวรเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษมาดว่าเล็กน้อยสมมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายเป็นผู้ที่มีอินรีสังวรเห็นต า, าเห็นสีด้วยตาได้ยินเสียงด้วย หูรู้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นครับกระทบสัมผัสทวารกายนึกคิดทวารใจทั้งหลายแล้วก็ไม่ถือโดยนิมิตนะเป็นที่ตั้งแห่งราฆโทสะและโมหะเนี่ยนะแล้วก็ภาคเพียรที่จะ ก, ก, กําจัดอภิชาและโทมานั์ในทวารทั้งหเรียกว่าอินทรียสังวรโภชเนมตันยุตเะออินทรีสังวรปัจญสันนิสิตศีิก็พิจารณาปัจจัยสี่ทั้งหมดที่ตัวเองบริโภคแล้วก็ใช้สอยสุดท้ายก็อาชีวะ ปาริสุทธิ์ที่ศีลแสวงหาปัจจัยสีมาโดยธรรมอันนี้เรียกว่าตัวท่านเองดำรงอยู่ในจตุปาริสุทธิ์ินศีลปฏิโมคสังวนอินทรีสังวนปัจจยาสานิสิตศีลและอาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีลแล้วก็แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติเพื่อความเป็นเช่นนั้นด้วยเนี่ยนะ